ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะตพะบุพะสิกขาและบุพะสิกขาวันนาพระอมราธิรชิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาตรเจนาต่อไปจะเป็นเสขยะว่าด้วยเรื่องของธรรมเทศนาปฏิสังยุตต์ซึ่งก็มีสิทธ 6สิกขาบทด้วยกันใน16สิกขาบทนี้ก็ทำให้เอื้อเฟื้อแสดงธรรมกับผู้ที่ไม่เคารพก็เป็นอบัตทุกกฎทั้งหมดในธรรมาเทศนาปฏิทิน ย, ยุ์มีสิกขาบท16ในสิกขาบทที่ต้นเรียกว่าฉัตตะตานิสิกขาบทเพิ่งทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่มีร่มในมือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในมือ เขาวางร่มไว้ในอวัยวะแห่งสรีระแห่งใดแห่งหนึ่งเขายังไม่ปล่อยจากมือยังชื่อว่ามีร่มอยู่ในมือจะแสดงธรรมแก่เขานั้นไม่ควรถ้าแลผู้อื่นเขากั้นให้หรือว่าร่มปักไว้ข้างๆเพราว่าร่มพ้นมือแล้วชื่อว่าเป็นคนไม่มีร่มในมือจะแสดงธรรมแก่เขานั้นควรอยู่ กำหนดทำรรให้พึงรู้โดยในดังกล่าวแล้วในปะฏะโซธรรมสิกขาบทนั้นเถิดก็คือเป็นพุทธภาสิตสาวาพาสิตอิสิพาสิตเทวตาพาสิตอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมทั้งนั้นนะในทันทะปาณิสิกขาบทที่สองในธรรมเทศนาประสมยุตนี้พึงสร้างความศึกษาว่าพึงทําความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่มีทันทะคือ ไม้ท่อนยาประมาณสี่ตอกสองเมตรในพรองนี่แหละแห่งมัชชิมะบุรุตอยู่ในมือก็แลความว่าเป็นผู้มีธนดะอยู่ในมือนี้ให้พึงรู้เดินในดังเปล่าแล้วในคนมีร่มในมือนั้นเถิดก็คือถ้ายังไม่ปล่อยไม้เท้าในมือเมื่อไหร่ไม่พรองในมือเมื่อไรก็ยังไม่ควรแสดงธรรมในสัาตธาปานิสิกขาบทที่สามพึงทาความศึกษาว่า เราจกไม่แสดงทันแก่ผู้ไม่เป็นไข่มีตัตราคือเครื่องแทงฟันมีคมข้างเดียวหรือว่าสองข้างอยู่ในมือในลักษณะดังกล่าวแล้วในสิกขาบทกรบุคคลแม้ผูกสอดดาบยืนอยู่ไม่นับว่าคนมีตัตราในมือเพราะว่าไม่ได้ถือไว้ถ้าสวมเข้าไว้ในร่างกายคล้องอยู่ก็อันนี้ไม่เรียกว่ามีตัตราในมือต่อไปอาวุธตานี้สิกขาบทที่สี่ เพิ่งทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่มีอาวุธอยู่ในมือธนูวิเศษทั้งปวงทั้งลูกด้วยชื่อว่าอาวุธถึงธนูพิเศษต่างๆจะเป็นพวกเกาทันอะไรต่างๆก็แล้วแต่พระเหตุนั้นผู้ถือธนูทั้งลูกธนูด้วยและถือธนูเปล่าหรือถือแต่ลูกธนูก็ดีหรือถือธนูมีสายไม่มีสายก็ดีนั่งอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามจะแสดงธรรมแก่ผู้นั้นไม่ควร แต่แล้ผู้นั้นแม้เอาธนูสวมลงในคอยังไม่จับธนูเข้าก่อนจะแสดงทําให้ควรอยู่เครื่องประหารมีคมชื่อว่าศาตราไม่มีคมชื่อว่าอาวุธเพราะเหตุนั้นแม้กระสุนและปืนก็ชื่อว่าอาวุธเหมือนกันถ้ามีกระสุนอยู่ในมือมีปืนอยู่ในมืออันนี้ก็ไม่ควรจะแสดงทำต่อไปในปาดุกะสิกขาบทที่ห้าพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่ ขึ้นสู่เขียงเท้าสำหรับเดินอยู่แม้ไม่ได้เอาหลักสอดในง่ามนิ้วเท้าเต้นแต่เหยียบไว้หรือว่าสวมอยู่ก็ดีก็ชื่อว่าขึ้นเขียงเท้าอยู่ขเขียงเท้านี่ท่านไม่ให้เคลื่อนที่ได้นะเฉพาะเขียงเท้าที่เอาไวไ้ทายภาษาอุจจระเอาไว้ล้างเท่านั้นไม่ตรึงอยู่กับที่ถ้าเขียงเท้าเคลื่อนที่นี่ใช้ไม่ได้นั้นจะไปยืนอยู่บนเขียงเท้าอะไรนี่ก็แสดงทำไม่ได้ทั้งนั้นแหละ พระพิสุก็ห้าใช้ด้วยแต่ว่าของญาติโยมถ้าเขายืนอยู่บนเขียงเท้ารองเท้าพระพิสุก็แสดงธรรมไมได้อุปปาหณนะสิทาบทที่หกเพิงทําความศึกษา ว, ว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่ขึ้นรองเท้าอยู่ก็คืออยู่บรองเท้าเนี่ยนั ง, งกล่าวแล้วในเขียงเท้าแม้ถอดสายผูกส้นออกเสียยืนอยู่ก็ชื่อว่าขึ้นรองเท้าอยู่เหมือนกันจะแสดงแก่ผู้นั้นไม่ควร รองเท้าทําด้วยไม้และหญ้าเป็นต้นเรียกว่าเขียงเทา้าทําด้วยหนังเรียกว่ารองเทา้าก็มีความแตกต่างกันถ้าเป็นรองเท้านี่ทําด้วยหนังเท่านั้นถ้าเป็นเขียงเทา้าก็ทําด้วยหญ้าด้วยไม้พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ใช้เขียงเท้าก็คือทํำด้วยไม้ด้วยหญ้าอนุญาตให้ใช้ pakai, แต่รองเท้าที่ทําด้วยหนังเท่านั้นปัจปจุบันนี้ก็ใช้เป็นฟองน้ําบ้างหนังบ้างหนังเทียมบ้าง น, นี่ก็ส่งเคราะห์เข้ากับรองเท้าหนังนี่แหละ ต่อไปอยาณาติขาบทที่เจ็ดพึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่ไปอยู่ในยานวอรถเวียนคานหามแค่เก้าอี้ชื่อว่ายานถ้าแม้สองคนเอามือจับประสานกันพาไปก็ดีหรือให้นั่งในเปลผ้าสะพายบ่าไปก็ดีหรือนั่งอยู่ในยานที่เขาไม่ได้เทียมและนั่งอยู่ในแม้มาดว่าจักเวียนที่เขารื้อ ลงวางไว้ก็ดีก็ชื่อว่าไปอยู่ในย า, านทั้งสิน้นถ้าแลแม้ทั้งสองนั่งในยานเดียวกันแสดงแก่กันควรอยู่ถ้าแสดงแก่กันอยู่บนาญาณด้วยกันก น, นี้ไม่เป็นไรแม้นั่งอยู่ต่างยานกันผู้นั่งในยานสูงจะแสดงแก่ผู้นั่งในยานต่ําควรอยู่แม้ในยานประมาณเสมอกันก็ควรผู้นั่งในยานหน้าจะแสดงแก่ผู้นั่งในยานหลังก็ควร ผู้นั่งในยานหลังแม้สูงจะแสดงแก่ผู้นั่งในยานหน้าไม่ควรนั้นก็ต้องเคารพกันมากเลยต่อไปสัย ญ, ญาณสิกขาบทที่แปดถึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไขนอนอยู่เท็จสุจะยืนหรือว่านั่งในเตียงตังหรือว่าพื้นดินแม้สูงจะแสดงธรรมแก่คนซึ่งนอนอยู่โดยที่สุดแม้ในลำแผนหรือว่าพื้นปกติก็ไม่ควร <necessary. S 2> และนอนอยู่จะแสดงแก่คนนอนด้วยกันนอนในที่สูงหรือว่าที่เสมอกันจึงควรก็แลนอนอยู่จะแสดงทำแก่ผู้ยืนหรือนั่งหรือนอนก็ดีหรือนั่งอยู่จะแสดงแก่ผู้ยืนหรือว่านั่งด้วยกันก็ดีแลยืนจะแสดงทำแก่ผู้ยืนด้วยกันก็ดีเหล่านี้จึงควรต้องอยู่ในอิริบทที่สบายกว่าผู้ที่ฟังผู้ที่จะแสดงเนี่ยต้องอยู่ในอิริบที่สบายกว่าหรือว่าเท่ากันกับผู้ที่ฟังถ้าอยู่ในอิริบทที่ลําบากกว่าก็ ไม่ควรแสดงต่อไปปรักสิกาสิคราบทที่เก้าพึ่งทําความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่นั่งรัดเข่าด้วยมือหรือว่าด้วยผ้าอันใดอันหนึ่งเป็นนั่งรัดเข่าด้วยผ้าด้วยมือก็เหมือนกับเป็นคนจมอยู่ในกองทุกข์เพระนั้นก็ไม่พร้อมที่จะฟังธรรมะหรอกทพิสุทธิ์จึงไม่ควรจะไป แ, แสดงธรรมการพิสุทที่นั่งรัดเข่าหรือว่าใครก็แล้วแต่ญาติโยมที่นั่งรัดเข่าด้วยมือหรือว่าด้วยผ้าก็ห้ามแสดงธรรม ต่อไปเวสิทธะสิกขาบทที่สิบพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้มีสีศักอันโพกพันด้วยผ้าหรือเมาลีเป็นต้นจนมิดปลายผมไม่ปรากฏถ้าให้เขาเปิดให้เห็นปลายผมแล้วจึงแสดงก็ไม่เป็นอบัตนะเหมือนกับพวกแขกแพก์ซิกนี่นะที่เอาผ้าโพกหัวัทั้งหมดเลยถ้าไม่เห็นเส้นผมทั้งเส้นเดียวเลยไม่เห็นชายผมเลยก็แสดงธรรมไม่ได้ แต่ก็เปิดชายผมออกมาให้หน่อยนึงให้เห็นก็แสดงทำได้แล้วต่อไปโอคุณศิตะสิกขาบทที่สิบเอ็ดพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่มีศีรษะอันคลุมอยู่ทั้งหมดให้เขาเปิดศีรษะเสร็จแล้วจึงแสดงก็ไม่เป็นอบัวบเหมือนกันชมาสิกขาบทที่สิบสองพึ่งทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งในพื้นแผ่น ด, ดินแสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่นั่งอยู่ในอาสนะเครื่องราช แม้เป็นผ้าและย่าเป็นอย่างต่ําถ้านั่งอยู่ที่พื้นดินจะนแสดงกับคนที่นั่งอยู่บนอาสนะนี่ไม่ควรอาสนะอะไรก็แล้วแต่ถือว่าอยู่ต่ําจากคนสั่งก็ไม่ควรแสดงต่อไปนีจารสนะสิกขาบทที่สิบสามพึงทําความศึกษาว่าเราจะไม่นั่งในอาสนะต่ําแสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้นั่งอยู่ในอาสนะสูงโดยที่สุดแม้แต่แผ่นดินสูง สิฏฐามบทที่ส4พึงทำความศึกษาว่าเรายืนอยู่จักไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ในที่นี้พระอัตกราจารย์กล่าวว่าถ้าแม้ทิกตุหนุ่มไปยังที่อุปถาของพระเถระยืนอยู่พระมหาเถระนั่งอยู่ในอาสนะถามปัญหาใสทิกตุหนุ่มอย่าพึงแสดงเลยก็แน่จะว่ากับพระเถระให้ลุกขึ้นถามก็ไม่ได้ด้วยความเคารพ เพราะเหตุนั้นจะคิดว่าเราจะแสดงแก่พิจุซึ่งยืนอยู่ข้างๆดังนี้แล้วแสดงท่านว่าควรอยู่พระตั้งใจแสดงให้ตับควรที่อยู่ข้างๆต่อไปปัจฉโตฆ ม, มะนะสิกขาบทที่สิบห้าพึ่งทำความศึกษาว่าเราไปข้างหลังจกไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้ไปอยู่ข้างหน้าในที่นี้พระอาจารย์กล่าวว่าถ้าผู้ไปข้างหน้าถามปัญหาไซส์อย่าพึงแสดง ท่านว่าพึงคิดว่าเราจะแสดงแก่ผู้ไปข้างหลังดังนี้แล้วพึงแสดงเถิดจะสาธยายธรรมที่เรียนมาด้วยกันหรือจะแสดงแก่ผู้ไปเสมอหน้ากันควรอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่ด้วยอํานาจเล่หอะไรนะถึงแต่ว่ามีสติธรรมชญะในการที่จะระลึกถึงสิกขาบทแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าห้าไมไว้แล้วเมื่อระลึกแล้วก็โยนิสงสนการว่าเราจะแสดงธรรมให้กับคนที่ไม่เป็นไปนตามสิกขาบทก็คือถ้าให้ห้ามแสดงธรรมไม่ให้แสดงธรรมกับผู้ที่ ไปข้างหน้าเราก็แสดงธรรมให้กับคนที่ไปข้างหลังเราคนที่เข้าไปข้างหน้าเขาก็ได้โ อ, อกาสฟังไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้มิ่นหรือว่าไม่ได้ไม่เคารพศิกขาบทอันนี้ก็เป็นอุบายหรือว่าเป็นสติในการที่จะรักษาศิษฐาบทแล้วก็ได้รับประโยชน์ด้วยเพราะการแสดงธรรมนั้นเป็นกุศลแต่ว่าจะต้องรู้กาละแล้วก็มีสติธรรมเชิงยะที่จะไม่ผิดตอบท้ววิ น, นัยต่อไปอุปเทนะขมนาศิษฐาบทที่สิบหกพึ่งทําความศึกษาว่าเราเดินไปอยู่นอกทาง จะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข่เดินไปตามทางถ้าแม้ในขนทางเกวียนที่ตุสองรูปเดินเสมอหน้ากันไปตามทางจักคนละทางก็คือทางล้อนั่นเอ ง, เองหรือนอกทางด้วยกันจะแสดงควรอยู่ในติดหกติดขาบทนี้พิกตุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแกล้งล่วงต้องทุกข์กดถ้าไม่แกล้ไม่มีสติไม่รู้ผู้ฟังเป็นไข่ มีอันตรายที่ตูบ้าเป็นต้นไม่เป็นอาบัตในทุกสิกขาบทเลยถ้ามัทศนาปฏิสังยุตตาก็จบข้อประกอบด้วยการแสดงธรรมต่อไปก็จะมีปกิณกะก็คือเบตเต็ะอีกส า, ามสิกขาบทสันสิกขาบทข้อแรกก็คือทิโตอุจาระสิกขาบทที่หนึ่งพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จักไม่ยืนถ่อุจาระปัสสาวะ ถ้าแลทิจุไปหาที่กบังอยู่อุจาระหรือปัสสาวะล้นไหลออกมาเสียก่อนชื่อว่าไม่แกล้งไม่แกล้งทำเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นอบัตรสิกขาบทที่หนึ่งในปกิณกะแต่ว่าเป็นสิกขาบทที่เจ็ดสิบสามในเศขษฐวัดในหาฤเตอุจาระสิกขาบทที่สองจึงเป็นข้อที่เจ็ดสบสี่ในเศรษฐีวัดเพึ่งทําความศึกษาว่าเราไม่เป็นใข่จักไม่ถ่ายอุจาระปัสสาวะหรือว่าบ้วนน้ําลาย นำมุกลงในที่มีของเขียวก็คือต้นไม้ต้นหญ้าที่ยังสดอยู่แม้รากแหงต้นไม้ยังเป็นอยู่เลื้อยไปในดินเห็นปรากฏอยู่หรือว่ากิ่งไม้เรื้อยงอกติดดินไปก็ดีทั้งปวงนับเป็นของเขียวทั้งสิ่งก็แลจะขึ้นนั่งบนต้นไม้ทายอุจาระปาสวะลงในที่ไม่มีของเขียวก็ควรอยู่ถ้าเชี่ยวหาที่ประจักษ์ของเขียวอยู่ อุจาระปัสสาวะล้นไหลออกมาเสียกรไซชื่อว่าตั้งอยู่ในที่เป็นคนไข้ไม่มีโทษถ้าแม้หาที่ปราศจาของเขียวไม่ได้เอาสเวียนหญ้าหรือว่าใบไม้รองแล้วถ่ายลงแม้อุจาระปัสสาวะไหลไปทับของเขียวต่อภายหลังควรโดยแท้ไม่มีอบัติขาบทสุดท้ายในประกินกาพิกาบทที่สมหรือว่าพิการบทที่เจ็ดิ้าในเศรษฐีวัก็คืออุดรเกอุจาระติขาบท เพิ่งทำการศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จดไม่ถ่ายอุจจระปัสสาวะบ้วนเคละน้ำมูกลงในน้ำน้ำนั้นประสงค์เอาน้ำที่บริโภคใช้ใอยได้น้ำในวัชกุดีเป็นต้นที่บริโภคไม่ได้ไม่เป็นอาบัติฝนตกห่วงน้ำท่วมไปสิ้นหาที่ดอนที่ไม่มีน้ำไม่ได้จะถ่ายลงในน้ำก็ควรถ่ายลงบนที่บกอุจจระปัสสาวะไหลทับน้าลงไปก็ไม่เป็นอาบัติ ในสารสิขาบทนี้เพียกสุใดาอาศัยความไม่เอือ้อเฟื้อแกล้งล่วงต้องทุกข์กฎถ้าไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้เป็นไข้และมีอันตรายพีกสู่บ้าเป็นต้นก็ไม่เป็นอบัตทุกสิกขาบทเลยปกินนักกาจบข้อที่เรี่ยรายปนกันก็มาดูสมุดฐานสมุดฐานท่านก็แจกไปให้ด้วยหัวเราะเสียงดังพูดเสียงดังสิกขาบทละสองเป็นสี่ เพรเสียงดังในแว้บ้านนั่งในแว้บ้านตอนไปในรั้วบ้านกับนั่งในแว้บ้านพูดเสียงดังไปในแว้บ้านแล้วก็นั่งในแว้บ้านอย่างละสองเนี่ยเป็นสี่แล้วแล้วก็พูด mm hmm. ทั้งคําข้าวอย่างหนึ่งมีคําข้าวในปากแล้วก็พูดเป็นห้าแล้วก็นั่งในพื้นดินและนั่งในอาสนะตม่มและยืนและไปข้างหลังและเดินนอกทางเหล่านี้แสดงธรรมนั่งที่พื้นดินเป็นแสดงธรรมกับผู้ที่นั่งบนอาสนะ นั่งในอาสนะตามไปแสดงธรรมกับผู้ที่นั่งบนอาสนะสูงยืนอยู่แสดงธรรมกับผู้ที่นั่งอยู่ไปข้างหลังแสดงธรรมกับผู้ไปข้างหน้าหรือว่าเดินไปนอกทางแสดงธรรมกับผู้ที่เดินอยู่ในทางห้าสิกขบทนี้ก็กลายเป็นสิบกลายเป็นะสนสิบกับการพูดดังแล้วก็หัวเราะเสียงดังอย่างละสองแล้วก็พูดทั้งมีคำข้าวอยู่ในตานตรวมสิขบขาบทนี้เป็ น, amen, ส, น, น, นสัมมนุภา菩萨สมุทฐานสัมมนุภ菩萨สมุทฐานนั้นเกิดจากสมุทฐานเดียว ก็คือกายวาจาแล้วก็จิตเป็นกิริยาคือมีการกระทำสัญญาวิโมกขจิตตะเป็นโลกาวัชะแล้วก็เป็นกายกรรมวิจีกรรมเป็นอากุจอลจิตทุกขเวทนาทุกทุกสิกขาบทเนี่ยเป็นทุกขเวทนาทั้งนั้นเลยนะอาศัยความไม่อื้อเฟือสําหรับสูปโปตะวิญยัตการขอแกงและข้าวสุกก็ไม่เป็นไข้แล้ขอแกงกับข้าวสุกแบบคู่ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณาท เป็นเหยียสัตยฐานสมุทฐานสมุทฐานเดียว ก, ก, กันกับพวกที่ไปชักชวนพ่อค้าโจรต่างแล้วพ่อค้าเปลี่ยนต่างที่เป็นโจรให้เดินทางเรี่ยงภาษีเป็นสมุทฐานเหยียสัตถานสมุทฐานสําหรับการขอแกงกับข้าวสุกโดยที่ไม่ปว่วยไข้สูบโปเดนาวิญยักษเป็นอาบัติที่เกิดจากสมุทฐานสองก็คือกายจิตอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตอย่างหนึง่ง เป็นจิรยาสจิตตะกะัญญาวิโมกโลเกศชาเป็นกายตาวชีกรรมแล้วก็เป็นอากุถริจิตทุกเวทนาส่วนข้อแสดงธรรมแก่คนที่มีร่มในมืออย่างหนึ่งมีไม้พลองในมือที่สองมีสาตราในมือสามมีอาวุธในมือ4ีสวมเขียงเท้าห้าสวมรองเท้าหกคนไปในยานเจ็ดคนนอนอยู่แปกแล้วก็นั่งรถเข่าเก้าแสดงธรรมกับผู้พันติตะสิแล้วก็คลมุมติตะสิบเอ็ด คืิขาบทนี้เป็นธรรมเทศนาสมุทฐานอาบัตจเกิดแต่วาจาจิตอย่างเดียวสมุทฐานเกิดแต่สมุทฐานเดียวคือวาจาจิตเป็นกิริยาแล้วก็กิริยะด้วยเป็นสัญญาวิโมกขจิติกะโลกวัชชะเป็นบัญจญกรรมอย่างเดียวเพราะว่าเครื่องของการแสดงธรรมเป็นอกศุศลจิตแล้วก็ทุกขเวทนาที่เหลือทั้งหมดอีกห้าสิบสามสิขาบทที่เหลือจากเศรษฐีวัตรทั้งหมดเจ็ดิบ้าที่เหลืออีกห้าสิบสามสิขาบท มีสมุดฐานวิธีเป็นต้นดังปฐมปราชิกเป็นสมุดฐานที่เกิดแต่กายจิตยอย่างเดียวแล้วก็เป็นสัญญามิโมคสจิตกาเป็นจุิยาโลกวะชะเป็นกายกรรมแล้วก็เป็นอาคุณโสไจิตในที่นี้ก็ต้องเป็นทุกขเวทนาอันหนึ่งในเสกขิยะนี้ในต้นอุเทศและท้ายอุเทศในปาติโมกหามีสังขยาก็คือตัวเลขกําหนดว่า อเมโคปัญจส ต, ต, ติเซกิยธรรมาดังนี้ไม่คือไม่ได้บอกจำนวนเลขเอาไว้ว่าแต่ว่าอเมโคเซกียธรรมาดังนี้เท่านั้นซึ่งไม่กำหนดนั้นแสดงความว่าข้อซึ่งิกีุจะพึงศึกษาใช่แต่เท่านั้นคือไม่ได้ศึกษาแค่นี้หรอกแค่เจนนี้แต่มีมากกว่านี้แม้วัดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในวัดตัขันธกะก็ชื่อว่าเสกียะคือจะต้องศึกษาเหมือนกัน ก็ เ, เป็นวัดอันที่สุจรพึงศึกษาด้วยแท้อันหนึ่งซึ่งไม่กําหนดนั้นก็เพื่อจะแสดงจริตตาในด้วยก็คือในที่จะต้องประพฤติยังมีเรื่องที่จะต้องประพฤติอีกมากอีกเยอะเสกียะวันนา น, านิติตาจบเสกียะแล้วอธิกรณ์สมถะก็ไม่มีอวัตอะไรเป็นเครื่องมือในการที่จะจะรับอธิกรณ์ก็เลยไม่ได้แสดงไว้จักวันน า, นาในบัญญัติแห่งทุ ก, กตาบัตรซึ่งมาในขันธะเป็นต้น ตามลําดับบุกพัฒสิกขาและเติมเข้ามาบ้างในพระบัญญัติที่มีในบุพัสิกขาบุพัฒสิกขาก็หมายถึงว่าที่ท่านแต่งเอาไว้ก่อนแล้วเป็นเรื่องยอต้องศึกษาเบื้องต้นเจ็ดข้อที่ยอดท่านก็จะแสดงอบับบทุกกฎเหล่านี้มาบ้างแล้วแต่ว่าไหนที่จะเพิ่มเข้ามาอีกท่านก็จะมีข้อสังเกตเอาไว้ก็คือในพระบัญญัติที่มีอยู่ในบุพัสิกขาจะกล่าวว่าข้อหนึ่งใช้คําว่าข้อหนึ่ง ในพระบัญญัติที่เติมเข้ามาอีกเนี่ยจะกล่าวว่าข้อหนึ่งอีกก็จะใช้ที่ความแตกต่างกันถ้ามีอยู่แล้วในปุพพชิษษาเพียงแต่ว่าขยายเพิ่มขึ้นต้งกงใช้คำว่าข้อหนึ่งแต่ว่าถ้าเพิ่มเข้ามาในรายละเอียดที่อื่นอีกในพระไตรเ ด, ดกอัตถาเพิ่มเข้ามาอีกจะใช้คําว่าข้อหนึ่งอีกให้เป็นที่สังเกตแั่จากเชิญพระพุทธบัญญัติซึ่งมาในขันธกะนั้นๆและมาในวีนิตรวัตถุเป็นต้น มาเรียบเรียงกล่าวให้เป็นคาถาคาถาคือเป็นเรื่องเรื่องจะกล่าวในจีวรปฏิสังยุตต์คาถาก่อนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจีวรข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนี้แสดงว่าในปุพพติขาด้นท่า น, นได้กล่าวไว้แล้วอย่างย่อยย่แต่ว่าท่านจะเพิ่มรายละเอียดเทกตุยานุ่งผ้าดังเครื่อหัดด้วยพุทธประยักห้ามไว้ว่าณนะทิขเวขิหินิวัตถังนิวาเสตบังภัตติโสดิกัง มัชชะวาลกังจะตกกันนงังตาละวัตตะกังสตะวั ล, ลิกังโยนิวาเสยะอาปติทุกตัดสัว่าพิกตุอย่าพึงนุ่งผ้าดังเครดหัดถ้านุ่งดังเครหัดต้องทุกกดนุ่งดังเครหัดนั้นดังนี้นุ่งห้อยลงไปแต่สะดือสันฐานดังงวงช้างดังนุ่งแห่งหญิงในโจละประเทศกดีนุ่งให้ที่สุดชายข้างหนึ่ง และที่วงข้างหนึ่งให้ลงไปดังหางปลาก็ดีและนุ่งสี่มุมคือแสดงมุมข้างบนสองข้างล่างสองก็ดีและนุ่งให้ผ้าให้ลงไปโดยอาการดังขั้วตาลและนุ่งพันทบผ้าที่ยาวให้หลายชั้นเป็นเกลียวเป็นกรีดหรือนุ่งผ้าเป็นเกลียวกรีดโดยลำดับกันข้างซ้ายขวามีเกลียวกรีดประมาณร้อยหนึ่งดังนี้ชื่อว่านุ่งดังขัหัดไม่ควร ถ้าแรตั้งแต่เขาขึ้นมาปรากฏดเป็นเกลียวอยู่หนึ่งหรือว่าสองเกลียวนั้นควรอยู่ข้อหนึ่งทรงห้าไว้ว่าณพิขเวสังเวลิยังนิวาเสตบังว่ายาพึ่งนุ่งกระโจมอกถ้านุ่งต้องทุกกดนุ่งกระโจมอกขึ้นมาถึงรักแร้ดังคนปล้ำดังคนที่จะปล้ำ ม, มวยเนี่ยนะแล้วก็คนทำงานนุ่งดังนี้แม้เป็นไข้หรือเดินทางก็ไม่ควร คนทั้งหลายเดินทางไปเขายกมุมผ้าขึ้นข้างเดียวหรือสองข้างเนบบนผ้านุ่งข้างบนหรือว่านุ่งผ้าผืานหนึ่งข้างในอย่างนั้นแล้วนุ่งทับอีกผืนหนึ่งข้างนอกอันใดก็ดีทั้งปวงไม่ควรแก่ทิสุก็แลเป็นไข้ในผ้าจะแสดงให้เป็นเกลียวข้างในแล้วนุ่งอีกผืนหนึ่งข้างบนได้อยู่ทับเป็นไข้ไม่เป็นไข้เมื่อจะนุ่งสองผืนพึงซ้อนให้เป็นชั้นแล้วจึงนุ่งเถิด การนุ่งซึ่งห้ามในที่นี้ก็ดีในเสขษยะก็ดีทั้งปวงพึงเว้นเสียพึงปิดมนฑนสามนุ่งให้เป็นปริมณฑลยาให้วิการเมื่อเถอนั้นทําให้วิการก็คือแปลไปยไอย่างใดอย่างหนึง่งไม่ผลทุกกฎข้อหนึ่งยาพึงห่มดังขรหรหด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิษเวคิหิปารุตังปารุปิตั บ, บังว่ายาพึงห่มดังขหัหถ้าหอมต้องทุกกฎ ห่มปิดกายแต่ข้างบนข้างล่างเปลื่อยไว้ดังนิครนก็ดีและห่มเอาผ้าวางบนจะงอยบาด ท, ทั้งสองเปิดอกไว้ดังปริภาชกบางจําพวกก็ดีและห่มเอาที่สุดผ้านุ่งข้างหนึ่งปิดหลังอามุมทั้งสองวางบนจะงอยบาดสองข้างดังมนุษย์มีผ้าผืนเดียวก็ดีและห่มเอาผ้าพันคอห้อยชายทั้งสองลงข้างท้องหรือตวัดไปข้างหลังดังนักเลงสุราเป็นต้นก็ดี และห่มคลุมหมดแสดงแต่แววตาดังหญิงชาววังเป็นต้นและห่มผ้ายาวเอาชายผ้าข้างหนึ่งคลุมตัวหมดดังครหบดีผู้ใหญ่และคลี่ผ้าสาดกออกแล้วสอดเข้าในรักแร้คลุมตัวด้วยชายผ้านั้นข้างหนึ่งดังชาวนาจะเข้าห้างนาก็ดีและห่มเอาผ้าสอดเข้าระหว่างรักแร้ทั้งสองตวัดขึ้นบนจังอยบ่าดังพรามก็ดี และห่มเปิดแขนซ้ายที่ผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งคลุมอยู่เสียแล้วยกจีวรขึ้นวางบนจ ง, งอยบ่าดังที่ตู่ผู้จัดแถวให้นั่งตามลําดับพรมดังนี้หรือว่าห่มอย่างอื่นพ้นจากลักษณะแห่งปริมณฑลทั้งปวงนั้นชื่อว่าห่มดังค้หักทั้งสิน้นที่ตุอยากพึงห่มดังนี้ซึงเว้นโทษแห่งการห่มทั้งปวงอย่างนั้นก็ดีอย่างอื่นเช่นนั้นก็ดีเสียแล้ว เ่มหมให้เป็นปริมนทนอย่าให้วิการเมื่อไม่ห่มเช่นนั้นและทำให้วิการอย่างใดอย่างหนึ่งในอารามหรือในระแวกบ้านด้วยความไม่เอื้อเฟือ้อก็เป็นอบัตทุกกฎข้อหนึ่งพิษุอย่าทรงผ้าผีต่างๆมีสีเขียวเป็นต้นด้วยบัญญัติห้ามไว้ว่าณพิกเเวสั บ, บะนีลกานิจีวรานินัสัะ บ, บะปีตกาณินัสัะ บ, บะโลหิกาณิณัสสะะมันเชษฐกาณิ นสบะกันหานินะสบะมหารังดรัรตานินะสบะมหานามรตานินะอัชินนดสานินะดีพระดศานินกะุพหดศานินภะณะศานินะพณะสานิจีวราณิทาเรตบานินกันะ จ, จุกังนะตีริกังนะเวทะนังทาเรตบังความว่า อย่าทรงผ้าสีเขียวหมดดังดอกผักตบสีเหลืองหมดดังดอกกัิกาใหญ่ผ้าสีแดงดังดอกฉบาผ้าสีแดงสมราดดังฝางสางสีแดงผ้าสีดำดังสีประคำดีควายผ้าสีแดงเช่นดังสีหลังตะขาบผ้าสีแดงเจือกันดังสีใบไม้แก่ในอัตถกาถาชื่อกุรุนทีว่าสีดอกบัวสีดังดอกบัวแล้วก็ยาทรงผ้ามีชัยไม่ตัด ผ้ามีชายยาวผ้ามีชายดังดอกไม้ผ้ามีชายดังผลไม้ผ้ามีชายเป็นแผ่นและยาทรงก็คื อ, อยาใส่เสื้อและหมวกและผ้าโพกเธอองดทรงผ้าเหล่านี้ต้องทุกกฏผ้าเขียวเป็นต้นพึงฟอกเอาน้ำย้อมออกเสียแล้วย้อมใหม่นุ่งห่มเธดถ้าไม่อาจฟอกออกได้ใจพึงทําเป็นผ้าปูนอนหรือว่าแทรกในชั้นกลางแหงชีวรสองชั้น ผ้ามีชายไม่ได้ตัดและมีชายยาวพึงตัดชายเสียแล้วก็นุ่งห่มเถิดเสื้อกางเกงได้มาผ่าเสร็แล้วยอมบริโภคก็ควรแม้ในผ้าโพกก็เหมือนกันก็แล้วหมวกที่ทําด้วยเปลือกไม้ควรทําเป็นผ้าเช็ดเท้าได้อยู่ข้อหนึ่งอีกอันนี้แหละที่เพิ่มเข้ามานะในปุพพากิขาไม่มีแต่ว่ากันก็เพิ่มเข้ามาอีกก็เลยใช้คำว่าข้อหนึ่งอีกแม้ผ้าเปลือกปอไม่ควร ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิกเวโปธโกนิวาเสตาโบความว่านุ่งผ้าเปลือกปอเป็นทุกกฏก็แลผ้าทำด้วยเปลือกรักเปลือกกล้วยเปลือกตะไครน้ำเป็นต้นก็มีคติดังผ้าเปลือกปอแท้ข้อนหนึ่งอีกทรงห้ามไว้ว่าณพิกเวบาหิระโลมิอุนิทาเรตบาว่ายาหมผ้าปาวานทำด้วยขนเทียม ทำให้ขนออกข้างนอกถ้าห่มดังนั้นต้องทุกกดห่ผมผ้าให้ขนเข้าข้างในควรอยู่ข้อหนึ่งอย่านั่งรัดเข่าด้วยผ้าสังคาติถ้านั่งรัดดังนั้นต้องทุกกดด้วยตรงห้าไว้ว่าณพิคเวสังคาติปลักจิกายะนิสีดิตับบงังรัดเข่าด้วยอาโยคะก็คือผ้าสําหรับรัดเข่านั้นควรอยู่ด้วยเป็นของที่พระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตเพราะฉะนั้นจะเอา สังคติมานั่งมารับเขาก็ไม่ได้นะหรือว่าเอาสังคติมานุ่งไม่ได้เอามาหอมได้แต่ว่าเอามานุ่งไม่ควรอันนี้ก็แสดงไว้ในเรื่องของทุดง่าย้อมผ้าก็ไม่ควรจะเอาสังคติมานุ่งแต่ว่าเอาจวรมานุ่งได้ทับเป็นสองทบแล้วก็อามานุ่งอาจจะเป็นเรื่องของความบอ บ, บางของสังคติสองชั้นหรือว่าสี่ชั้นที่ทําในสมัยก่อนไม่ได้เย็บ ด, ด้วยจักรเหมือนกับสมัยนี้เพราะฉะนั้นก็คงจะดุดด้วยได้ง่ายก็เลยไม่อนุญาตแต่ถ้าเป็น จีวนชั้นเดียวอย่างเงี้ยก็เอามานุ่งได้เอาม า, าพับเป็นสองทบแล้วก็นุ่งได้ข้อหนึ่งอีกสงห้ามไว้ว่าณนะพิขเวจาตุมมาสังนิสีดเนนะวิปวะสิตบังว่ายาพึงอยู่ปราจากผ้ารองนั่งมีชายสามชายชื่อว่านิสีธนะนานถึงสี่เดือนถ้าอยู่ปราจากดัง น, นั้นต้องทุกข์กดเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่ปราจากนานได้ไม่เกินสี่เดือน ถ้าอยู่อย่างนั้นเกินสีเดือนก็อับสักทุกกฎแต่ถ้าเกิดไม่ได้อธิษฐานเป็นผ้านิสิตนะนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าผ้านิสิตนะนี้ก็เป็นผ้าสามชายที่สามารถที่จะเอามานุ่งเอามานุ่งได้เหมือนกับแผมนเพลือเป็นสามชายแล้วก็ผ่าตรงนั้นก็เอาไว้ใส่ร่องขาแล้วก็พับขึ้นไปเหมือนกับนักมวยกล้มญี่ปุ่นซูโม่ อ, อย่างเงี้ยใส่ไว้เวลานอนสําหรับคนที่กลัวน้ําอุจจิจะเปื้อน เศนาสนะเพื่อนที่นอนอะไรต่างเพื่อนจีวรอะไรพวกนี้ทางการอนุญาตให้แต่ว่าถ้าเป็นผ้าธรรมดาธรรมดาไม่มีสามชายอะไรก็ให้ทานด้บริขารโจรอะไรต่าไว้ปูนั่งได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เพราเป็นผ้านิสิธนะเท่านั้นเองถ้าไม่มีนิสิธนะจะอยู่ปราดจากตลอดไปเลยก็ได้แต่ว่าสาหรับผู้ที่ถือผ้าสามผืนถือผ้าตรจีวรสามผืนในฐานทุดงเนี่ยนะก็ไม่ได้มีผ้าปูนั่งเหมือนกันไมด้มีผ้าปูนั่งเพราะว่าผ้าปูนั่ง นิสิตนะเนี่ยเอาไว้นุ่งผมของผู้ที่ถือธุดงจะใช้ผ้าอย่างดีผืนที่สี่ได้ก็คืออังสะอังสะก็กว้างได้คืบหนึ่งยาวก็สามซอกเป็นผ้าผืนที่สี่ได้เท่านั้นไม่ได้เอามาใช้นุ่งผมเพราะฉะนั้นบบนิสิตนานี่ใช้นุ่งได้เพราันก็เลยไม่สามารถที่จะเป็นผ้าผืนที่สี่ของผู้ที่ถือไตรจุวรเป็นวัดผ้าสามผืนได้ข้อหนึ่งยาพึงมีแต่ผ้านุ่งผ้าผมสองผืนเท่านั้น ไม่ครบตรชีวรเข้าไปบ้านถ้าเข้าไปดังนั้นต้องทุกกฎด้วยทรงห้าไมไว้ว่าณพิทเวสันตุตะเรนะคาโมปวิศิตาโบปัจจัยคือเหตุเพื่อจะเก็บผ้าสังขติและผ้านุงผ้าห่มพื้นได้พื้นหนึ่งไว้ไม่ต้องเอาไปด้วยมีห้าอย่างก็คือข้อที่หนึ่งคีลาโนวาโหติเป็นไข่ยอยู่ถ้าเป็นไข้นี้ก็เป็นเหตุที่จะทาให้เก็บเอาผ้าไปได้ไม่ต้องอดครบสหรับตรชีวร ข้อที่สองวัติกะสังเกตังวาหรือสังเกตว่าเป็นการฝนคือในฤดูฝนสี่เดือนข้อที่สามนาทีปารัตะังวาหรือไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคือจะพึงฉันจังหันที่ริมสั่งแม่น้ำข้อที่สี่อัครคุติวิหาโรวาหรือว่าวิหารกุฎีรักษาลงลิ่มสลับได้อยู่สามารถที่จะล็อกกุญแจไขาดานล็อกกุญแจได้ข้อที่ห้าอัฏตังกะทินังวา หรือกระถินได้กลานแล้วทั้งห้าข้อนี้นะลงลิ้มสลกักรักษากูดีอย่างเดียวเป็นประมาณเอาข้อนี้เป็นประมาณในความเป็นไข้และสังเกตว่าการฝนและไปยังสังแม่น้ำและได้กลานกรถิ่นแล้วสี่นี้เมื่อด้วยเมื่อกูดีวิหารรักษาแล้วจะออกไปในภายนอกวัดควรอยู่เมื่อไม่รักษาไม่ควรนี่ก็แสดงว่าในบรรดาห้าข้อนี้ก็ถือว่าเอาลิ่มสลัก ริมสดักถือว่ามีกุญแจไขล็อกดาไม่ได้เนี่ยเป็นประมาณแต่และาอีกสีข้อก็อจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งด้วยอันนี้เป็นประมาณก็อนแรติจุยู่ป่าวิหารคูดีซึ่งรักษาด้วยริมสดักไม่มีเธอนั้นพึงเอาผ้าไว้ในหม้อสำหรับเก็บของซ่อนไว้นี้ที่กำบังเป็นต้นว่าซอกหินและโพรงไม้แล้วจึงไปอันนี้ก็ไม่เป็นอบัติแต่ว่ามีวิธีอีกอันนึงก็คือว่าถอนเสีย ถ้าถอนอธิฐานก็เป็นอัจติกจีวรไปก็เก็บได้สิบวันไม่ต้องเอาเข้าไปในรั้วบ้านได้ก็เก็บออกไปได้สิบวันแต่ว่าถ้ากลับมาก็กลัวลืมว่าอธิษฐานเสียหรือว่าบางคนก็ใช้วิธีอย่างนี้ก็คืออธิฐานเป็นอธิฐานไม่บริหารโจมไปเลยสังคติก็เลยไม่ได้บริหารเรื่องของอุดรติตะอยู่ปราจากตรชีวรทินราตรีหนึ่งสิกขาบนนี้ก็เลยไม่ได้รักษัตแต่รับสัตน่าจะดีกว่า แต่ว่าก็จะทําให้มีสติสัรมเชิญยะจะเข้าในแลีย บ, บ้านก็ถอนกลับมาก็อธิษฐานนะเป็นสังคติเหมือนเดิมหรือว่าหมสังคติไปก็ถอนถ้าหมอุตรสงเนี่นะกลับมาก็อธิษฐานก็จะทําให้เป็นการรักษาพราะวินัยแล้วก็เพิ่มพูนสติรักษ า, าพราะวินัยไม่ใช่ไม่เอื้อเฟื้อเพราะว่าถ้าอธิษฐานเป็นบริสานต์โจมตีเลยก็เลยไม่ต้องรักษาและไม่จําเป็นจะต้องมีเราก็ไม่ได้รักษาทุกขบทข้อนี้ด้วย ตัวปัจจัยก็คือเหตุเพื่อจะเก็บผ้าอาบน้ําฝนไว้แล้วและไปก็มีห้าข้อเหมือนกันข้อที่หนึ่งข้อที่สามข้อที่สี่ก็เหมือนกันเหมือนกันกับผ้ากระจิวรก็คือข้อที่หนึ่งก็ป่วยเป็นผ้าอยู่ข้อที่สามก็คือไปถูกฝังแม่น้ําข้อที่สี่ก็คือวิหารกุดีเนี่ยรักษาลงลิ้นสลักได้ส่วนข้อที่สองก็คือนิสีมะคโตวาไปยังภายนอกอุปจาระถิมาน แค่อุปจาระศีมาเท่านั้นไปยังภายนอกอุปจาระศีมาเท่านั้นท่านล่วงเลยศีมาไปจะไม่ได้ไปในแรกบ้านแล้วก็ข้อที่ห้าก็คือวัสิกะสาติกาอะตะตาวาโหติวิปปะกตะ ต, ะตาวาถ้าอ่านผลยังไม่ได้ทำหรือว่าทําค้างอยู่แต่ว่าแสวงหามาแล้วอันถึงฤดูผลก็แสวงหามาได้ในช่วงที่กําหนดเอาไว้ยังทําค้างอยู่ก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของจีวอนปฏิสังยุตตกระถาก็จบเรื่องของญานเรื่องขญานไม่เป็นไข้นี้ไม่นั่งญานก็เอาไว้ตอนวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้ท่านเจริญด้วยสีธรรมทิปัญญามีตัทธาปสาธะในการที่จะอบรมสติปัญญารักษาธรรมวินัยของพระสัมมาสัมเจ้าเจริญรอยตามพระอริยส า, าวกทั้งหลายแล้วก็ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของท่านทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอริยส า, าวกขอให้ได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมโดยทั่วการวยเทินสาธุ สาทุสาทุอะนุโมทามิ